มันมีสำนวนของคนทีสารเห็นว่าเป็นยขยะก็คงได้นพมาพูดตรงดีเพราะว่าเห็นนมอ่าเห็นข น, นมอยากบวชเห็นนมสวดอยากสืกบคาว่าสวด น, นี่ไม่ได้ไปสวมดมนต์นะสวดก็พุ่งอ่านี่ก็พูดถึง คนบางคนที่จริงก็เรียกว่าส่วนใหญ่ก็ว่าได้ก็คือว่ามาบวชเพราะว่าเห็นว่ามาสบายเห็ขนขนมอร่อยเนี่ยของกินเยอะก็มาบวชติดตัวพอมาสบายเสร็จแล้วพอเห็นนมผู้หญิงก็อยากสืบขึ้นมาอันนี้เราว่าเป็นอยู่ด้วยตังหาเป็นอยู่ด้วยความอยากไม่ได้อยู่ด้วยปัญญา ที่จริงเขาพยานนี่ก็คงจะสะท้อนถึงคนส่วนใหญ่ก็ว่าได้ที่ว่าเวลาจะทำอะไรก็ทำด้วยตังถาไม่ได้ใช้ปัญญาคือเอาความถูกใจาม่วอาความถูกต้องอย่างการบวชพระนี่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็เอาความอยากเป็นที่ตัง้ง เห็นว่ามันสบายเห็นว่าอาหารมีกินอิ่มนี้ที่มันก็เลยบวชที่จริงในสมัยพุทธกาลก็มีแบบนี้เยอะนะไม่ใช่เฉพาะสมัยนี้มีลายหนึ่งที่มาบวชเพราะว่ารับสบายเป็นเป็นลูกพี่ลูกน้องของพระพุทธเจ้าชื่อว่าเจ้าชายอนุรุทธะองค์นี้น่าสนใจเพราะตอนหลังก็ บวชแล้วก็ทีแรกก็บวชเพราะความอยากสบายแต่ตอนหลังก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เจ้าชายมุรุธานี่เดิมทีไม่ได้คิดอยกบวชนะคนที่อยากบวชคือพี่ชายเจ้าชายมหานามะเพราะว่าเมื่อเพื่อเจ้าออกบวชแล้วก็มีการพูดคุยกัน ว่าเออตะปูนของเรายังไม่มีใครออกบวชเลยมีใครบ้างที่อยากจะบวชเจ้าชายมานามา ก, ก็บอกว่าถ้าไม่มีก็ผมก็ขออาสาเองก็เหตุผลก็ไม่เห้นมีอะไรมากนะก็คือว่าตะปูลแล้วควรควรจะมีคนออกบวชบ้างครั้ น, นี้เมื่อจะออกบวชก็ต้องมอบภาระให้กับ น้องชายน้องชายคือเจ้าชายนุรุทัพน้องชายก็ถามว่าไองานเนี่มันคืออะไรเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาจนโตไม่เคยทํานาเลยเจ้าชายมานามากก็เลยบอกว่างานนี้เนี่ยก็พูดถึงเรื่องการทํานาเพราะสมัยก่อนนี่เจ้าชายหรือว่าพระมหากษัตริย์นี่ก็ต้องนําชาวบ้านทํานาที่ทีแรกนาขานนี่ก็แต่ทหารก็ พระมหากษัตริย์เป็นคนทำนะถ้าไม่กษัตริย์ก็พระเจ้าชายก็จะราว่านะถ้าเป็นถ้ามารองแผ่นดินก็ต้องทำนาก็เล่าว่าทำนาที่ทำอะไรบ้างตั้งแต่การการเตรียมที่นะการไถการการหว่านแล้วก็เก็บเกี่ยวแล้วก็ต้องอามาเก็บข้าวเข้ายุ่งฉา ได้ฟังอย่างนี้นี่เจ้าชายนิรุทธาก็ก็เริ่มลังเลแนละ้วแล้วก็บอกว่าแล้วก็ถามว่าต้องทำนานไหยประมาณนั้นบอกว่าต้องทำตลอดไม่มีสิ้นสุดนะเจ้าชายนิรุทธานี่เป็นคนที่ไม่เคยลาบากมาก่อนก็เลยบอกโอ้ยไม่เอาใหนะ้ขอบวชเองดีกว่านะ ขอบวชเองดีกว่าทีแรกเนี่ยไม่ยอมบวชเพราะบอกว่าพอรู้ว่าบวชเนี่ยต้องไปบินทบดีต้องไปนอนอยู่โคลนไม้นะต้องดึ ง, งบ้าบขงสกุลก็ไม่ขอบวชนะจะให้พี่ชายบวชแทนพอพี่ชายดีดว่าจะบวชแต่ว่าน้องชายต้องรับผิดชอบเรื่องการงาน พอรู้ว่าการงานมันยากแบบนี้บอกไม่เอาขอบวช ด, ดีกว่านี่เรียกว่าบวชเพราะต้องการเลี่ยนงานเจ้าชายุรุธานี่ขึ้นชื่อว่าสะดวกสบายมากนะเคยมีคนถามว่าข้าวเนี่ยเกิดจากไหนเกิดที่ใดนะเพื่อนคือเจ้าชากินพิล้วก็บอกข้าวเกิดในยุ่งฉามนะ คือไม่เคยเห็นข้าวเกิดในทุ่งนาเลยไม่รู้ว่าข้าวมันมาจากทุ่งนาหรือมาจากต้นข้าวก็บอกข้าวเนี่ยเกิดที่ยุ้งฉาง เ, เจ้าชายพัทยะซึ่งเป็นเพื่อนก็บอกว่าข้าวเนี่ยมันเกิดในครัวนะส่วนเจ้าชายมรทธาที่หนักว่า น, นั้นนี่ยบอกข้าวนี่เกิดในชาม คปม้ายคนสมัยนี้นะถามว่าน้ํามาจากไหนก็บอกน้ํามาจากน้ากอรอกไนขะ่มาจากไหนไข่มาจากเซเว่นนะเดีย๋ยวนี้เป็นแบบนี้กันเยินนะผักมาจากไหนผักก็มาจากร้านเซเว่นหรือร้านหรือซุปเปอร์มาร์เกต็ตแต่ก่อนก็คิดว่าเฉพาะคนสมัยนี้ ท, ที่ที่โง่แบบนี้นะแต่ที่จริงมันโง่มาแต่สมัยพุทธกาลก็มีคนโง่แบบนี้แล้วล่ะ ระอาจารย์มูลานี่ก็เป็นคนหนึ่งนะเพราะว่าชีวิตสะดวกสบายมากมีคนปลนเปลืตลอดไม่รู้จักคําว่าไม่มีนะมีคราวหนึ่งเล่ น, เ ล, นเล่นกีฬาเพื่อตีครีกับเพื่อนกับสาไฮเล่นแล้วก็แพ้แพ้นี่ก็ต้องเอาเรียกพนันกันด้วยขนมพอแพ้ก็ต้องเอาขนมมาให้เพื่อนแพ้จนกระทั่งไม่มีขนมเหลือ ไปบอกทีแรกก็ไม่รู้นะก็ไปบอกคนใช้ว่าไปเอาขนมมาคนใช้ก็เลยไปบอกไปบอกพระราชมันดาพระมารดาบอกว่าขอขนมหน่อยพระมารดาบอกขนมไม่มีคนใช้ก็เลยไปบอ ก, บอกอรพระเจ้าชานุลุทธว่าขนมไม่มีเจ้าชานุลุทธ์ก็เลยบอกว่าไม่มีก็เอามานะไม่เคยเห็นไม่เคยกินขนมไม่มีนี่แหละ อยากกินนักแร้ไปเอามาขนมไม่มีนะปพราะว่าเทวดาก็ช่วยจนได้นะไอถาเปล่าเนี่ยที่คนใช้เอามานี่มันดันมีขนมขึ้นมาแต่ว่าเป็นขนมที่เทวดาเสกนะแล้วก็อร่อยซะด้วยก็เจ้าชายรุ่นชากับเพื่อนได้กินขนมไม่มีแล้วก็บอกอร่อยมากนะที่หลังเอาอองนะขนมไม่มี นี่และว่าเป็นคนที่มีความสะดวกสบายมากอย่างนึกไม่ถึงว่าจะมีคนแบบนี้ในโลกนะคำว่าไม่มีไม่รู้จักและพอเห็นนี่แหละก็เลยตัดสินใจบวชนะเพราะว่าไม่อยากทำงานนะก็บวชแล้วนี่ก็ปรากฏว่าก็ได้ถู ด, ดีนะพระทศกเจ้าท่านก็ ท่ก็พาทำพาปฏิบัติจนทั่งเข้าใจว่าโอ้อชีวิตของเราที่ผ่านมามันเป็นชีวิตที่เต็มไปได้วยทุกข์นะมันเป็นความความสุขแค่ผิวผิวนะแล้วก็เลยปฏิบัติธรรมด้วยความตั้งใจจนกระทั่งบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีอภินยาด้านทิพยโสคือตาทิด องนี้แหละที่ก่อนที่ผู้เจ้าปรินิพพานเนี่ยพระอมรุทธา น, นี่ก็ยังติตตามไปดูว่าสภาวะจิตของผู้เจ้าเป็นอย่างไรก็เลยรู้ว่าผู้เจ้านี่ก่อนที่จะปรินิพพานก็เข้าฌานจากฌานหนึ่งไปฌานปแปดแล้วกลับมาฌานสแล้วก็าาวกปรินิพพานในในฌานนั้นก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าผู้เจ้านี่ปรินิพพานในฌานไหนในสภาวะใด ก็องค์นี้แหละพนะระอนุรุทธะนะซึ่งเป็นชีวิตที่น่าสนใจคนที่สบายมากนะบวชเพราะว่าหนีงานแต่ว่าก็ได้ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งได้บรรลุถึงคุณวิเศษที่มนุษย์น้อยคนจะได้บรรลนะุส่วนเพื่อนเนี่ยเพื่อนที่บวชนี่ก็คือเจ้าชายปฏิยา เาชาพยพัทยานี่ก็ไม่ตั้งใจจะบวชนกันนะแต่ที่บวชเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าชายมรุทบอกว่าทีแรกไปขอขอวิงวอนแม่จะบวชแม่ไม่ให้บวชเพราะสงสารยายก็เลยอดตาหารเลยนะร่างกายผายพร้อมสุดท้ายแม่ก็เลยยอมปณิพนนว่าบวชก็ให้ก็ได้ให้บวชก็ได้แต่ว่าต้องมีเพื่อนบวช ด, ด้วยเจ้าชายมิรุทธาก็เลยไปขอ เจ้าชายพัทยาที่จริงเป็นไม่ใช่เจ้าชายแนละ้วเป็นกษัตริย์แล้วละ่ะพระจ้าปัธทยานี่ก็ทนเพื่อนรบร้่าไม่ได้ก็ก็เลยลองตัดสินใจบวชก็กล่าวว่าจะบวชไม่นานนี่ก็ประเภทว่าบวช เ, เ, เ, เพราะเพื่อนขอร้องไม่ได้มีศรัทธาเลยเลยคนนึงบวชเพราะเพื่อนขอร้องอีกคนนึงบวชเพราะว่าหนีงานไม่อยากทํางานแต่ว่าไปได้ดีทั้งคู่นะ ตอนลังพระพทิญาณเนี่ย อ, อนี้แหละที่ปฏิบรรัติธรรมบรรลุธรรมแล้วก็ลำพึงอยู่คนเดียวว่าสุขหนอสุขหนอรู้เจ้าถามว่าทำไมถึงลำพึงแบบนั้นพระพุทเจ้ก็บอกว่าเนี่ยตอนเป็นกษัสรงนีโอ้ยชีวิตมันลำบากต้องอยู่ด้วยความกลัวไปไหนก็ต้องมีองครักษ์คอยติดตามถึงแม้ว่าจะมีมีความสะดวกสบายทางกาย มีปราสาทมีอาหารอุดมสมบูรณ์แต่ว่าไม่มีความสุขเลยต้องคอยหวาดระแวงศัตรูต้องมีคนคอยคุ้มกันแต่นี่พอมาบวชแล้วต้องบินทบาทหาอาหารฉันมือเดียวนุ่งผ้าบางสุกุลบางทีก็อยู่คนไม้แต่ว่ามีความสุขเพราะว่าเป็นอิสระไม่มีไม่ต้องกลัวอันตรายใดๆ นะเพราะว่าเป็นพระไม่มีอำนาจวาสนาะก็ไม่มีผู้ร้ายจะมาจะมามุ่งร้ายหรือคมเห็นนะเพราะว่าทั้งนันทังตัวไม่มีอะไรนะก็เลยลำพึงขึ้นมาว่าสุขหนอสุขหนอนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของชีวิตที่แตรเปลี่ยนของคนสองคนนะซึ่ง สะดวกสบายมากทั้งสองคนนี่เรียกว่าสบายกว่าเจ้าชายสิทธัตถัยนะโดยพรอะภาเนรุทานี่เจ้าชายเนรทธานี่สบายกว่าเจ้าชายสิท ธ, ธัตถายเยอะไม่รู้แม้กระทั่งว่าข้านี่มาจากไหนไม่รู้ไม่รู้จักคำว่าไม่มีแต่ว่าก็ด้วยความเพียรตั้งใจในการปฏิบัติก็เปลี่ยนจากคนที่ อยากสบายอยากสบายอยากสุขนะก็เปลี่ยนเป็นเป็นคนที่ได้เห็นว่าความสุขที่อยากนันมันมันของเทียมแล้วก็พบความสุขที่แท้เพราะว่าเข้าใจได้เห็นความทุกข์อย่างแจ่มแจ้งอันนี้ก็เรียกว่าเรียกว่าถ้าเรียกภาษาชาวบ้านคือโง่มาแล้วก็สว่างไป จากคนที่บวชเพราะว่าเอากิเลสเป็นที่ตั้งแต่ว่าก็สามารถที่พัฒนาตนได้เพราะฉะนั้นคนที่เห็นขนมแล้วบวชนี่ก็ไม่ได้แปลว่าจะแย่เสมอไปนะเห็นขนมอยากบวชแต่ว่าพอบวชไปแล้วได้มีการศึกษาปฏิบัติดีก็ไปโลภแต่ถ้าไม่ปฏิบัตินะ เห็นขนมอยากบวชเห็นน ม, ม, มสวดก็อยากสึกพนะอสึกไปแต่งงานก็ก็อยากบวชอีกนะพออยู่ไปอยู่ไปเบื่ อ, อชีวิตครองเรือนชีวิตคารวะมันลบาบากเหลือเกินทีนี้อยากอยากอยากบวชอีกแล้วนะอยากบวชเพราะว่าชีวิตครองเรือนมันลบาบากก็กลับไปกลับมาแบบนี้ก็มีนะในสาวพุทธการ บวชเจ็ดครั้งศึกเจ็ดครั้งแต่ว่าที่สุดก็บรรลุธรรมได้ก็มีนะประเภทบวชบวชึกๆเนี่ยนะเพราะว่าเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมานะตั้งใจปฏิบัติแล้วคนเรานี่ผิดพลาดกันได้หรือว่าครั้งเผลอกันได้นะแต่ว่าถ้าหากว่าเอาผิดเป็นครูจะผิดกี่ครั้งแต่ว่าในที่สุดก็เกิดฉลาดขึ้นมา มีความตั้งใจในการปฏิบัติก็ไม่เหมือนกับบางคนบวช ด, ด้วยศรัทธาแต่ว่าพอไปบรมาจิตใจตกต่ํานะไปถึงแก่กิเลสก็สึกก็มีอันนี้มันมีหลายแบบนะเพราะนั้นประเภทว่าบวชเพราะกิเลสแต่ว่าอยู่ไปนานๆแล้วก็ปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมนี่ดีกว่าประเภทบวชเพราะศรัทธาแต่ว่าอยู่ไปจิตใจตกนะกลายเป็นว่า ต้องสึกษาลาเพศตายเพราะว่าสึงแก่กิเลสอันนี้ก็ไม่ดีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เล่าให้ฟังเพื่อ้รู้ว่ามันในประวัติพระอรหันนีมีอะไรแปลกๆเยอะนะ